พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพระดำเนินนี่ท่านสมบุกสาบันมากจริงๆนะพแม่ครูอาจารย์มั่นเ่าเี้จึงเป็นเป็ น, ปนรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นสาระในวงปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มหัวใจเลยนะไปที่ไหนที่ไหนเป็นัสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปนี่ผมมกกักจะไปไปเที่ยวสอบเที่ยวดูไปทั้งจนทั่วถึงไปหมดเลยทางด้านทางนามนีนายงทางไหนแถวทางไหน ท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างไปพยายามไปเสอบเป็นอย่างถ้ำผาบิงนี่ไปจต่มันเปลี่ยนสภาพไปจังมากมายเป็นคนลโลกไปแล้วนแล้วก็เล็งดูถ้าผาบิงนี่ออกไปหาถนนท่านตะก่อนถนนไม่มีแถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคนเลยก็มีก็คงวังตะพุงท่านมั้งวังจะพุงมันก็เหมือนหมู่บ้านมันไม่ได้เหมือนอำเภอแหละถนนน้ำทางไม่มีแล้วท่านจากนั้นเข้าไปหัน ถ้ำผาบิงนี่ทลายหกเจ็ดกิโลมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นท่านอยู่ที่นั่นถ้ำผาบิงท่านอาจารย์สิงห์หลวงปู่สิงห์นี่ก็ไปได้กำลังใจที่นั่นนะท่าที่ทราบมายิดท่านรวมใหญ่ตรงนั้นนะถ้ำผาบิงแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วสถานที่ที่ก็เปลี่ยนสภาพทางเดินเข้าไป รอบๆ บ, บริเวณตั้งแต่ทางหลวงนี่เข้าไปแล้วมันเป็นสวนเป็นไรเขาไปหมดโล่งไปหมดพูนย่างลายว่างั้นเลยมันไม่มีลึกเถาของเก่าของแก่ยังเหลืออยู่บ้างเลยในถ้าผาบิ้งก็มีแต่เฉพาะถ้าเท่านั้นเองนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดพระลาก็บสองหลังสามหลังอันนี้ละการก่อสร้างเนี่ย มันน่าคิดอยู่มากนะนะัก อ, องค์กรรมฐ า, านเราถ้าว่าผู้ที่ไปทําการก่อสร้างไม่ได้รู้เรื่องรุ่นราวของครูบาอาจารย์และตำหรับตําราที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นอีกอย่างนะนี่ก็รู้ๆอยู่เห็นๆกันอยู่แต่ก็ทํากันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่าทําแข่งเพราะว่างพี่เจ้านี่สิครที่ตรงไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างรู้นราวผู้ฝ้าอันเป็นเรื่องของโลก ไปเหยียบย่ำทำลายสถานที่ที่เป็นหลักธรรมชาติอันเป็นทำเครื่องติ่นตัวอยู่เสมอนั้นให้คิปหายแบบปวงไปะะหมดไม่มีเหลือเลยนี่ทีมันน่าคิดเราไปสู่สถานที่ธรรมชาติกลับไปดูที่ตกแต่งให้สวยงามมันต่างกันไงถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเป็นคนโรคเลยนะนเรื่องของโลกเขาก็ชอบอย่างนั้นอยู่แล้วนี่นี่เราพูดถึงเรื่องธรรม พระแม่ครูอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนท่านสร้างอะไรนี่แบบสบับันหนึง่งแล้วแบบสบับนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้แล้วเนตทางให้พระเวนะลาพระไปไปเที่ยวภาวนาสถานที่ใดก็ตามท่านบอกท่านสอนไว้นะอย่าไปสถานที่มีการก่อสร้างนั่นะอย่าไปสถานที่ชุมนุมชนไปสถานที่จอแจ ใ ห, ให้ไปหาสถานที่พิเวษสงัดแม้ต้นไม้ที่เป็นดอกเป็นผลนกกินกันวุ่นวายอย่างนัน้เสียงอุกติกึ้คมก็อย่าไปอยู่ในฐานที่เช่นนั้นถ้าน้ำขึ้นลงของผู้คนสัญจรไปมาแล้วลงเล่นกันก็อย่าไปั น, นี้ท่านสอนไม่หมดละเอียดแล้วออมากนะนั่นเห็นไหมเป็นไงปฏิบัติทาที่พระเจ้าทรงสอนชดทงแนะเป็นยังไง กับการดําเนินของพวกเรามันขัดกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะนี่นี่ถ้าเราดําเนินตามนี้ทําไมมันจะไม่เห็นอัดเห็นทำเพราะเป็นเครื่องบุกเบิกทำท่างนั้นเป็นเครื่องตีต้อนทิเดศไม่ให้เข้ามายุ่งทั้งนั้นที่วิเย่สงัดเนี่ยมันก็เป็นข้าศึกกันกับที่จุนจ้านหุ่นวายเนี่ยท่านไม่ให้ไปที่จุนจ้านวุ่นวายที่ก่อสร้างมากก็วุ่นวายท่านก็ไม่ให้ไปเนี่ยฟังสิให้ไปหาสถานที่เหมาะเหมาะที่สงัดวิเยเพื่อบําเพ็ญและสะดวกสบายนั่นฟังดิ ท่านสอนว่าอย่างละเอียดลอมากนะในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้เป็นยังไงท่านเดินตามนี้อย่างราบรื่นสม่สำเสมอหาที่ต้องติดไม่ได้เลยนะเท่าที่ผมไปอยู่กับท่านก็กเป็นเวลาแปดปีจนกระทั่งท่านหมรณภาพลาไปมีแต่ที่ถึงใจถึงใจถึงใจไนะปฏิปทาเครื่องเนินที่เห็นอยู่ด้วยตาของเรานี่มันก็มีตามแบบได้แบบในฉบับอยู่แล้วมีในตำรับสมาลาแล้ว ห้างที่ไหนท่านดําเนินอย่างนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นนี่มันเห็นอยู่เลยก็เรื่องกิจเรื่องธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ต้องพูดแหละโอ้โหเวลาท่านเปิดโลกธาตุ น, น, นี่อยู่เพียงสองสามองค์ท่านนะเวลาอยู่มากๆที่ท่านกทศในวงศิลปธรรมกว้างขวางไปเสียไปกลางๆนั่นเสียเวลาไปคุยกับท่านเป็นเวลาเฉพาะเฉพาะนั่นที่เพียงสององค์สามองค์นั่นเราจะได้ฟังธรรมอศัศจรรย์ของท่าน รู้แปลกๆต่างๆรู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยมีไม่เห็นปรากฏในตําราเลยก็ท่านพูดท่านก็ไม่เอาตํารามาพูดท่านเอาความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นมาพูดนี่นั่นจะไปเข้าตําราเน่ยนั่นแ่ะที่จะท่านเพื่อนอ่นที่เราได้ฟังเต็มโหัวเต็มหัวใจเวลามีไม่กี่องค์นั่นแหะ ไปอยู่ที่ไหนโอ้ห์น่าสะลดเสาเงียบนะถ้าเราพิจารณาตามเรื่องของโลกโลกนี้น่าสะลดเสาเงียบทําไมท่านมาอยู่ได้เหมือนกับว่าผ้าขี้ริ้วเหมือนกับเป็นคนกํามภาอนาถาไม่มีใครปรารถนาแล้วในโลกนี้คนคนนั้นพระองค์นั้นวางอันเลยนะที่ที่ท่านเคยไปอยู่ที่ไหนมีแต่อย่างนั้นส่วนมากนะอินเตอบาต ก็เพียงมาได้มาฉันมันอยนางนั่นบางทีบางทีไปอยู่เนไม่ได้ฉันกลับเลยเป็นเดือนก็มีท่นมาเวลาท่านพูดสัมผัสท่านก็เล่าให้ฟังนะไปอยู่เป็นเดือนก็มีไม่ได้ไม่ได้ฉันกลับเออที่ว่าที่ว่าท่านฉันไม่ได้ฉันกลับคือเขาว่ายาครูทำเขาวางภาษาทั้งปนางี้ก็ว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ยท่านฉันแต่ถั่วแต่งา ท่านม่ฉันเมื่อฉันปล่ามันไม่มีตั๋วมีนกาก็คงไม่เอาไม้ฉันใครจะปลูกอะไรแต่ก่อนมันไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเงินมีความหมายอะไรแต่ก่อนไม่มีความหมายในเงินไม่มีใครสสเสาะแสดงหากันมันเหมือนก็ไม่มีเงินเนี่ย ท, ทั้งๆที่เงินก็มีแล้วไม่มีการซื้อการขายกันทําอะไรกันลงไปนี่ก็ไม่มีใครมาซื้อพอที่จะให้เกิดความขออยันหมั่นเพียรแล้วใครจะมีแก่ใจทํำละ่ะนาก็ทําพอได้กินกันปีหนึ่งถึง ถึงปีถึงปีเท่านั้นเองมากกว่านั้นมันก็ทิ้งไว้เฉยไม่มีใครซื้อกันนั่นะเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ขวนขวายแล้วพวกเกปือกพวกมันอะไรก็เขาก็ปลูกไว้ตามบ้านตามเดือนไปนั่นบางทีก็เขาก็ใส่เผือกใส่มันบ้างหันหลังกันนะไอ้ถั่ว ง, งาไม่เห็น <laughs> ไอ้พวกเนื้อพวกปลาพวกอาหารชนิดอื่นเนี่ไม่เลยเหรอท่านวาเพราะเขาเข้าใจกันดังนั้น ว่าพระทํากรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่ ง, งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปาก็ได้มาแล้วก็ฉันไปนั่นไั่นต้องพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่ยมันก็เข้ากันได้นะแต่ภาวนามันดีนี่นะ่ะทันหวังเนี่ยมันสิฉันแต่เข้าเปล่าใครจะไปฉันมากขนาดไหนว่าพูดแล้วเราเราเร า, เราสังเวชนะมันเป็นอยู่เรื่อยกันะ่ะท่านเวลาท่านพูดท่านก็พูดธรม ร, ธรมดาธรรมดาไปเนี่ยเวลาพูดไ ป, ไปสัมผัสแล้วท่านก็นําออกมาพูดมาพูดสถานที่เป็นนั้นเป็นนั่เลย ว่านะยินทบาทมาแล้วก็อมาฉันมีแต่ข้าวเปล่าข้าวเปล่ า, า, าก็จะไปฉันได้มากอะไรฉันเข่าปเปล่าทัานมาแล้วเดินจงกม้มโอ้ตัวปิวไปแล้ ว, น, วนั่งเปล่าหน้าโอ้ดีทั้งนั้นท่านว่ามันดีทางนี้ท่านว่างนะั้นแล้วประการหนึ่งเราก็ไปหาอย่างงั้นเนี่ยไปเขาก็ได้อีกแหละไม่จะไปกังวลอะไรเพราะใจไม่กังวลนี่ท่านว่างนะั้น เคยกังวลเลยว่าในชั้นก็อันนั้นชันกัอันนี้ไม่เคยหนี้ให้หวังกันนะพ่อนั่งชี้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านั้น ท, ท่านว่านท่านท่านลาบากมากนะตอนท่านบําเพ็ญเฉพาะท่านตอนตอนกลับมาม า, ม า, ม, ามาอยทังนี้อีกหมู่เพื่อนมาก น, นี้ไม่ค่อยสะดวกอะไรมากเพือ 40, อ่อนสี่สิบห้าสิบเนี่ยท่านอาจาเกิง บ้านสามผงท่านอาจารย์ศิลาบ้านวาใหญ่เนี่ยอําเภออากาศน้อยท่านเหล่านี้เป็นอุปชาแล้วนะนี่เกิดความเพียรความสงสัยในพ่อมแม่ครูอาจารย์บ้านเหล่านี้เลยสละหมดยาติมดทั้งลูกทั้งลูกวัดเลยนะท่านอาจารย์เกิม่มท่านอาจารย์มีแต่เป็นอุปชาแล้วทั้งนั้นนะเี๋ยวไปลูกขีดลของกูมั่นเรานี่ละไปกับท่าน ที่ท่านกลับ ม, มาตอนหลังนี่นะตอนหมู่เพื่อนลงมาตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่โดยลําพังท่านนั้นซิมันหนักมากนะท่านเล่าให้ฟังมาตามบารีเจปภูมินี่มาองคเดียวท่านขโมยหนีมานี่มาเพราะหมู่เพื่อนลุมตามท่านวางขงโมยมาตรงนั้นตรงนี้นี่ท่านเล่าให้ฟังหมดแนะแต่ผมจําไม่ก็ได้ตอนที่ท่านไปซอกแทกองค์เดียวท่านนะมาแถวบาลีเจปภูมินี่ มาทำโคนปลาโหลอะไรหย่งนี้เรื่อยอย่างนี้มันท่านอะไรใครตามท่านว่าท่านชุวันตามทันทรรมลาท่านาอาจารย์ชวันท่านกำังเล่าให้ฟังีพูดถึงเรื่งความความลําบากในการบำเพ็ญนี้ผู้ที่บุกเบิกต้นทางให้พวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาณนะที่ลําบากที่สุดเลย เรื่องเสือเรื h, numa, ee, the same. The same ่องอะไรนี่ทั้นนานๆท่านจะเล่าทีนึ่งนะเล่าก็เล่าเฉยๆนะดูดูเล่าไปเฉยๆเหมือนกับว่าเสือกับท่านไม่มีอะไรกันพูดง่ายๆว่างั้นลักษณะเสือกับท่านไม่มีอะไรกันแล้วทั้งๆที่ไปอยู่ป่าเสือจนถึงขนาดที่ว่าระบินทําบาดก็ป่าเสือเนี่ยที่บ้านนํามีอยู่ไม่เลือกเขาเอาไม้เอาไม้ปอกไม่เปิือกน่ะมาผ่าผ่าเขาก็เอาไม้เอาไม้ปาะไม่เปิือน่ะ มาผ่าผ่านี่แล้วก็ให้ท่านถือไปคือกลัวหมีเสือมันมีสติมันไม่มันไม่ค่อยทําไม่เงี้เสือมันมีสติดีมันไม่ค่อยเจอมันง่ายๆอะเดินดัําไปขนาดไหนก็ไม่เจอกับเสือนีแต่หมีนั่นมันมาสเปะสปะนั่นล่ะพวกชาวบ้านเขากลัวว่าเราไปเจอหมีห ม, มีไม่หนีนะถ้าช่วงระยะนี้ถังน้ํานี่มันโผล่เข้ามาเลยอืม ตบทั้งกัดเลยถ้าเสือเรไม่ล่ะมันยิ่งอยู่ในป่าลแล้วเจอขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าในป่านะไม่จนกอกนะเดี๋ยวเท่านี้ดวดผึ่งเดียวไปเลยถ้ามันจนกรอกเช่นอยู่ตามโคกตามที่โล่งๆนะมันหาที่ไปมาได้มันต้องมาทําคนให้เสียท่าก่อนมันถึงจะไปเสื อ, อ, อนี่เป็นกับเสือลําบากเป็นแต่มีไม่ได้นะได้พรานเขาเขาพูดอย่างเดียวกัน นี่พูดถึงนั่นบินสะบาดเขาทาเอามาให้แล้วก็ทำไปงั้นแ่ะทางกระว่างนั่นนะแล้วเดินไปนให้เคาะไม้เป๊กพุ่นเป๊กนี่ไปเพื่อหมีมันได้ยินนะมันจะหลีกเกินว่างนั้นนะแล้วก็ไปนี่แหละอันธญาของอันเนี้ยของน้องปู่พรมเนี่ยท่านเล่าให้ฟังแล้วนะพอดีแม่ชีคนนี้ก็มาเล่าให้ฟัง อ, งอีกโกงกันเต็งเลยนะ ที่ทางบ้านน้ำหมีนียยุง ล, ลึกๆมันไม่มีบ้านคนเสือโอ้โหมันเสือไม่ได้กลัวคนทั้งว่าแต่ผู้ชายมันมีกลัวบ้างเล็กน้อยว่างงั้นนะผู้หญิงไม่กลัวพอทําได้มันทำํำว่างเี่ยแล้วก็พวกนี้มีแม่คีสามคนทั้งว่าไปหาท่านคือแม่คีอ่อาลนและพัญญาของหลวงปู่พรหมเนี่ยพือต่างคนต่างออกลมบัตรเงินทองเข้าของประกาศทานหมดเลย แล้วก็ต่างคนต่างออกคันหลังให้กันออกเมียก็ออกไปบวชพวกออกไปบวชนั่นนหละแล้วก็ไปหาลงกุ้งมัดพ่อแม่เขาจะมัดเ่า น, นี้ยแต่นุ่นสามคนไม่ชีไปท่านก็บอกจะทําไงไล่มันก็ไม่กลับพรานี่แ่ะท่านว่างั้นแต่มาไงนี่มันตรงป่าตรงเสือนี่ทําไงนี่วะท่านว่าเสือไม่กลัวผู้หญิงงามอ่ะมันลําบากอาอ น, าานี่มาอะไรอ๋ออะไอยู่สศสองธรรมันไี้ก่อนเถอะ นานไม่ได้พบพอแมมครูบาอาจารย์หรือว่าพระองท่านก็นเลยได้สั่งพรกยาโยมให้ไปทำห้างถึงสูงน่ะให้ท่านท่านเล่าอันหนั่ง น, นะทำห้างงสูงแล้วก็มีพระองค์ขึ้นไปสูงให้มันพ้นจากปากเสือพูดง่ายๆนะให้อยู่ถึงสูงแล้วก็ท่านสัง่งด้วยว่าเวลาค่ำเวลากลางค่ำคืน อ, อย่าลงมานาะ พราท่านรู้ก่อนอยู่แล้วนี่เสือแถนนั้นมันชุมขนาดไหนเสือมากแล้วไม่กลัวคนผู้ชายกลัวบ้างวางนั่นนะก็ไม่ไม่ค่อยมีใครทําลายมันนอกจากว่าอาหารไม่อดแต่ผู้หญิงไม่กลัวน่ะพอทํามันทําวางเนี่ยเาเราอยู่นั่นท่านกว่าห้าไม้เขาลงมาจะจะไม่ได้อยู่กับท่านนะอยู่ระหว่างครึ่งทางข้างข้า ง, างทางไปนั่นถ้าเป็นําเลพ่พอสมควรแล้วก็เขาอยู่ที่นั่น ทำห้างให้อยู่ทั้งสู๋ท่านก็ยู่บนเขาหน่อเวลาไปก็ใหญาติโยมพาไปไปให้เอวาว่าแต่สองสวันก็ไล่กลับป้ายมันเป็นกังบนท่านวางนี่นะ่ะมาอยู่ล้าเป็นกังบนกังบนคือเหมือนกับว่าท่านเมตตาท่านอารักขาอยู่ภายในใ จ, จิตใจคงจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นกังวนตายไปไ ป, ไ, ปไม่เอาไม่เอาท่านอ่ะไม่อยู่ได้สามคืนท่านรอด้วยสิมี่ท่านกั น, น, น, กนเล่าแล้วพวกแม่คีคนนี้ก็เล่า แม่ชีคนนี้ไปหาท่านที่บ้านนาซีนวนะตอนนั้นผมพาอยู่กับท่านที่บ้านนาซีนวนวัดเก่าเขายาคุทงที่ท่านมาไปท่านอยู่แต่ก่อนนั่นแหละไม่ชีคนนี้ไปนั่นไปเล่าผมฟังเนี่ยที่ผมจะได้ทราบเรื่องเหมือนกันกันบท่านเล่าครับไม่ชีนั้นเล่าเบนต์สบายก็ไกลเนี่ยเอ่ะไกลบ้านก็ แถวไปทุ้ยลอกนะไม่ใช่เล่ น, นึงนะแต่ทุกวันนี้ถนนน้ำทางมันเข้าไปถึงหมดแล้วแหละบ้านคนก็มีมากขึ้นมากขึ้นแถว น, นั้นเป็นความลําบากมากไปอยู่ที่ไหนที่ท่านไปที่ไหนโอ้โหทุเรียนนะท่านไปบำเพ็ญและไม่มีใครเป็นผู้ชักจุงทางเดินท่านก็ท่านเป็นผู้บูเบิกเองเนี่ยน่าจะหมายปัจจุบันจิงว่าลําบากทั้งด้านภายายทั้งด้านภายนอกกรรมฐ า, านเขาก็ไม่รู้กรรมฐ า, านนั้นเป็นยังไง อย่างนั้นเลยางแทนก็วิ่งแต่คือเห็นเขียนในประวัติมันเปนอย่างนั้นพอพอต่อมานั่นครท่านมาจากขั้มชฎิกาแล้วทานมพระมีมากแต่ท่านก็บอกว่ากําลังยังไม่พอท่านรู้ทัง้งหลังที่ท่านเน่าหมดเลยกาลังไม่พอภายในกําลังไม่พอท่านถึงได้ปีกหนีจากหมู่เพื่อน ถึงทีเดียวเข้าเชียงใหม่เลยประมาณขาหลังท่านไม่ได้พูดเลยนะว่ากําลังไม่พอไม่เคยได้ยินนะนี่แต่เปี้ยงเปี้ยงเลยทีฉะนั้นท่านไปเป็นในเชียงใหม่เชียงใหม่นี่มีครูบาอาจารย์ที่ก็ mm. ไ, ได้ความเลือกความมาสวอที่นั่นหลายองค์นะเท่าที่ผมจําได้นะก็หลงปู่มั่นเราเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมนั่งสามแล้วนะเท่าที่ผมทราบ หลวงปู่แหวนสี่แล้วนั่นท่านอันนี้มีประเทศน้ําหนึ่งทั้งนั้นเลยหลวงปู่ผมนี่ก็เคยจะคุยธรรมะ ก, กันแล้วผมถึงเลยกับสิบบรรดาลูกศิษย์ที่มาจากกรุงเทพเวลาเผาศพท่านเนี่ยท่านอาจารย์องนี้นะพยายามเอาอติท่านได้ได้นะอัติของท่านนี้จะเป็นแปลเป็นพระธาตุอย่างแน่นอนเลาบเพราะเคยได้คุยธรรมะแล้แล้วก็เป็นจริงจริงนุมได้ปีเดียวมัง้งก็กลายเป็นพระธานแล้วน่ะผิดที่จะไหนเพราะ ความประกาศความบริสุทธท่านประกาศตั้งท่านยังไม่ตายเรื่องกระดูกมันเป็นผลพลอยได้ต่างหากจะเป็นพระธาตหรือเป็นพระธาตุเป็นผลพลอยได้ส่วนใจท่านที่บริสุทธิ์ยิ่งมดุดหลุดพ้นไปแล้วนั้นมันถึงกันแล้วนี่คุยท่านเล่าให้เาัาหน้าฟังมากนะแล้วกาะหลวงปู่ขาวนี่ที่เดีคุยกันมากเป็นอย่างเต็มเม็ดเต็เตหน่อยหลวงปู่แหวนสามองค์นี้เอากันอย่างถึงพริกถึงขิงเลยเพะ หลวงปู่คำดีนี่องที่เลวงปู่ธรรมะกันถึงถึงพลิกถึงขิงถึงเหตุถึงผลว่างั้นผมจึงไม่สงสัยท่านถ้าลงได้ลงใจแ้่เท่านั้นน่ะใครจะหาเรื่องจะท่านว่าท่านเป็นสังขาปาราชิกอะไรอะไรก็ตามในท่านเหล่านี้นะผมมันเป็นนิสิอย่างนั้นนะถ้าลงได้ถึงใจขนาดนี้ไม่ฟังเลยนั่นฟังจีถ้าจะว่าท่านเป็นสังขาปาราชิกเพราะต้องอบัตในนั้นนี้เฉยเลยไม่สนใจ ท่านเหล่านี้นะเพราะอะไรก็จิตนั้นมันไม่ใช่จิตอยู่ในอันขั้นสมมุตอนนิอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติอันนั้นพ้นไปหมดแล้วมีสมมติอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยทังบุตรการทังมีตุกข์ฟ้องนะอืมถ้าผมจําไม่ผิดอาจะรย์พระทัพพระมนบุตรนะเป็นถ้อง ถ, ถ, ถ้าจําไม่ผิดนะเพราะมันก็นานแล้วผ่านตำลามมานะันแล้ว ถูกเขาฟ้องถึงขัน้นบาปทนึ่แต่นั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่โอ้จะไปฟ้องเธอทําไม้หว่างกันเธอเป็นสติวินัยสมบูรณ์แล้วนี่ว่าเท่านั้นน่ะไม่ได้พูดมากอะไรไปฟ้องเธอหาอะไรเธอเป็นสติวินัยอันสมบูรณแล้วนี่ว่สติวีนัยก็ยกขึ้นมาละเมื่อมีผู้ฟ้องก็ยกสติวินัยขึ้นมาถ้ามีผู้ฟ้องหลักธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์แล้วเลยสมมตุติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคุณนะึกไง เอาอะไรก็ไปเกี่ยวข้องแต่นี่เวลามีผู้ฟ้องก็ต้องวินิจฉัยใกล้ควรมาไปตามเรื่องต่างๆที่บอก่าเธอเป็นสติยิ่งในเด๋ยวจะุญแล้วฟ้องเธอหาอะไรพระจ้าสำรักปากนี่น้ำมีในต้องน้ำมีปากกูแต่คิดอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปไประฉาไปทาให้มันติดมันเปื้อนนะ มันจะจิบเพื่อนกับอะไรมันเป็นอาถรระแล้วกับเรื่องส ม, มุนมันมันเข้ากันไม่ได้มันเป็นไปได้ว่างั้นเลยท่านก็หมู่มันมากแล้วก็ท่านอยู่อยู่ยางงั้นตลอดมาเนี่ยนะอยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาจนกระทั่งมันนิพพานหลวงปู่มั่นเหล่า น, นะ น, น, นี้ จำลุท่านคุณธรรมเจริีเอาท่านมาอยู่ในมตลท่านมาอยู่วัดนนิเวศแต่ก่อนวัดนนทิเวศก็เป็นป่านะสงับเงียบไม่มีบ้านคนแถวนั้นไม่มีเลยก็เงียบแต่เวลาออกพรรษาแล้วท่านหนุนหนีไปอยู่ที่บ้านหนองน้ําเค็มไปทางบ้านหมักหญ้าอะไรไปทางน่นท่านไปอยู่ภาวนาอยู่ในป่านี่เสียเดนกระทั่งจะเข้าพรรษาท่านถึงมามันจำพรรษาที่วัดนนทิเวศสองพรรษาท่านก็ไปสักคน ท่านมนอยู่ให้เฉพาะเข้าบรรษาแม้จะถามที่นั่นยงจะนึงเป็นป่าวิเว ย, อยอนอะไเข้าเรียกวัดอ๋อต่ขินว่าไงวัดนุนิเวศเป็นป่านะา ก, ก่อนท่านก็อยู่ให้ในบรรษาตอนนั้น น, นัไปแล้วเพราะออกสองบรรษาแล้วก็ไปสกลนอครไปจำมีสาบ้านโคกบ้านนามนุน หลังกาก็ย้อนมาหนองคืนเป็นมาลสุดท้ายกันบ้านโคกสองปีบ้านนำมนปีหนึง่งแล้วก็บ้านหนองผืนเนี่ยห้าปีก็เป็นแปดปีนั่นอยู่แต่อย่างงั้นเหรอเห็นเราระวันไหนน่าจะ เอความเพียรเต็มที่แล้วเรามักแกแอบกันไปฉันชาอะไรครับท่านนะชานี้ชาเชียงใหม่เขาส่งมาจากเชียงใหม่ชาชาชาเมี่ยงเขาหลามอุ้ยหอมนะเขาหลามส่งมาชื่อหนั้นอะไรนะนั้นแปลว่าทิศทิศนั่นทิศนี้เขาส่งมาถ่อใท่านเป็นประจํานะไม่เคยอดไม่เคยขาดนะ ชามาถวายท่านไม่ว่าชาจีไม่ว่าชาชาเมี่ยงนะถ้าถ้าเราชาไม่ฉันยเรื่อยนี่ฉันแน่นอนไม่หลับนะเนี่ยผมริงถ้าวันไหนวันจะเอากันเต็มที่กับความเปลี่ยนนี้คือไม่ให้ความงงงงนอนเข้ามาเกี่ยวข้องควรพอที่ให้ไดือืนกันนะก็แอบไปฉันชากับท่านเถอะมันนานชั้นที่ ตามปกติผมก็ไม ah, ่ค่อยเอาเรื yes ่องเหมืออะไกับชาะเทอนน้ำร้อนน้ำาอะไปมื่อกีอ้นี่น้ำชาฉันจ้ะให้กูเหมือนจฉลิมบุแล้วแล้วก็ฉันกัคนนี่เอาอะไนี่นะวันเช่นอย่างนั้นไม่นอนกลางคืนวันนั้นคือมันไม่ไม่ง่วงนั่งนั่งพาวนาก่อนเป็นหัวต่อเลยความง่วงไม่มากวนพอให้ได้ต่อสู้กันเช่นยังต่อสู้ด้วยวิธีการลงเดินโยกรม เพืแก้ม่วงใช่บ้างอะไรอย่างนี้ไม่จ้ะนั่งไดตามต้องการเวลาโ ม, ม่วงมันีท่าด์ขันนัมันฟังใครละ่ะอะไรไอปหลุดเลยนี่นั่นดึกมาแล้วผม น, นี้เั็นฉันชาหอมชาเมี่ยง เขาเขาเลือกเอาแต่ชนิดอไเขาเรียกว่าไม่ใช่ยอดจริงๆนะยอดน่ะแต่ว่าเอาเอาอะไ ร, ร mm hmm. เขาเรียกใบคาบใบเปือกนี่ภาษาของเราเนาะ น, นัะ่ะก่อนขนาดนั้นใบคาบใบเปือกนียทํกไปหายอดแล้วไม่มีห่วงแล้วนนชั้นชากชั้นตอนใหม่ บ, บ่ายหวนหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นวัน ห, หนึ่งท่านั้นเอตอนเชา้าจะหันขึ้นมาก็ขึ้นมากผมเริ่อมไม่มค่อยฉันมี่พูดถึงเรื่องความสมุกสมบันไม่เป็นน่าสงสารท่านนะทั้งอัศจรรย์ทั้งสงสารท่านในความลำบากของท่านที่พาบุกเบิกนะ พรากเรานี่ได้แบบในฉบับมาชัดท่านแล้วก็น่าจะมีแก่ใจที่ปฏิบัติกันมันก็ไม่ได้เรื่องมีสิ่งสําคัญทำไงแล้วนี้กับพระกรรฐานเราก็ยิ่งมันจะแสงหน้าแสงหลังกันไป น, น, นั่นเอวนี่หน้าทุเรศทําให้วิตกแล้ววิตกนี่ไม่ผิดจะด้วยนะเราแน่จใจไม่ผิดก็ พ, พิจารณาแล้ววิตกด้วยการพิจารณานี้ ไม่ใชโดยการหาเรื่องหาราวยกโทษยกกรณเพื่อนฝูงโดยหาเหตุผลไม่ได้เนี่เราพิจรารณาโดยอดโดยธรรมวัดทางวัดว่ามีทางยัางกมมันเป็นไปได้ยังไงวัดกรรมาฐานครนนี้ที่ไปดุไอ้ที่ว่าไปเมืองการลดุจรินจริงเลยผมผมบอกว่าผมสรดปสองเวทผมบอกงั้นเลยไปวัดทั้งวัดนะั่น ตะเวณเที่ยวหาดูหมดทันงกลมในวัดกรรมฐานแท้ๆเลยเนาะไม่มีทันงกลมเลยมันอยู่กันน่ายังไงอยู่ยังไงว่างนี่เลยเนาะมันสลดทางเวีนนะไปเห็นที่นั่นนะสลดทางเวีจะบอกได้ความสลดทางเวีนมาบังหวมาลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นนะนั้นไปทําอะไรอยู่ทันยงกลมจึงไม่เคยเห็นกันเลยค่าทั้งวัดมันกรรมฐานอะไรมันน่าคิดอยู่มากมาย ผมผมไปผมไปดูจริงเนี่ยเที่ยดูภายในวัาแล้วอย่างนัแล้วออกนอกวัดไปตะเวนเที่ยวหาดูจริงท่านคนตรไหไม่มีมันคืมีแต่ความสะดวดสบงยเท่านี้ที่ทํางานของพระไม่มีทําี่ทํางานของโลกเขายังมีการจัการงานเมืองเขาแบบมีโต๊ะมีเก้าอี้มีที่ทํางานว่างไงเออพวกชาวไร่ชาญาก็นั่นอะไร่นารสวนเขาเป็นที่ทํางานของเขา ผ้าเรามันไรเป็ที่ทํางานนี่มีแต่เสือก็หมอนนี่เปนที่ทํางานเรามองไม่เห็นก็มองเห็นเท่านั้นเองธาตุสถานที่เรียนโรมนางสมณที่ภาวนาไม่มีมันก็มีแต่เสือก็หมอนเป็นที่ทํางานของพระเรานั่นสลดสองเวทไหมล่ะพี่นายหมูเพื่อนเอามาเอาฟังฟังเล้วมาหนึ่งเหตุเห็นผลนี่แหละมันมันกุดมันด้วนเข้ามาอย่างนี้จะไม่ให้ริบตกไหมแล้วก็โลกามิตรมันจะเหยียบย่ำทํำลายหมดนะความเห็นแต่โลกโลกามิตร ทราสักการะบูชาความนับถือนี้มันเป็นบ้าไปแถวนั่นนะนั้นไม่ใช่ทำรรเพื่ออาศัยเท่านั้นทำแท้คือการบำเพ็ญให้มันเกิดผลเกิดความแปลกประหลาดอาจารย์ขึ้นภายในใจเจ้าของนั่นทำอยานั้นนี่เป็นสมบัติของเจ้าของแท้อันนั้นสมบัติของขครก็สมบังเขาเองเขาไม่ทานมากน้อย ก, กับเป็นของเขาหนอก็เหมือน เราปลูกข้าวในนาอะองนี้มันสวยงามขนาดไหนได้ผลมากน้อยอย่างไรนามีผลอะไรกับข้าวหรืวนัล่าเจ้าของก็ต้องหานี่แม้แต่าฟางก็ควายกินหมดนา ม, มันได้อะไรอันนี้เราก็อาศัยท้าเพียงอย่างนั้นนั่นี้ว่าปุญญเขตตังโลกาสาเนื้อนาบุญของโลกนั่นทำมากน้อยก็เป็นของเขาหมดไม่ใช่ของเรา ส่วนของเจริงก็คือเราทำเองนี่เราทำเอาเนี่ยล้วใครจะไปกวาดเอาต้อนเอาวัตถุทานของเขาทินมาทานมากมานั้นมาเป็นบุญเป็นศุศ์ตัวเองได้ไม่มีไม่มีทางมันเป็นของเขาทั้งหมดมากน้อยเราต้องทำเอาสิใครขยันจะตายเกิดตายเกิดสั้นขยันแบบทุกข์ก็ให้ขี้เกียจมากๆ อาใารแม่ขยันใครเห็นภัยต่อความทุกข์ดังพู้เจ้าที่เป็นจอมปราศสอนไว้แล้วก็ให้พยายามแก้ไขฝืนกันกับกิบเลสการฝืนมีแต่ฝืนกิเลสเท่านั้นไม่ได้ฝืนธรรมหรอกธรรมไม่ได้ฝืนท่านกิเลสต่างหากพาให้ฝืนกิเลสต่างหากขวางทางเดินของของธรรมใารจะเกิดจากตายอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันนับไม่มีประมาณแล้วก็ให้ขี้เกียจมากๆ อันนี้เป็นยังไงมัน พ, พูดได้อย่างอาถรรพ์จริงนะเรื่องใจเกิดใจไม่เกิดแหมมันยังเป็นยงไงน้ําตา ล, ล่วงว่างไงโอ้น้ําตาลไหลลินลงมาเหมือนน้ําฝนนี่ผมพูดจริงๆผมเป็นจริงเวลาถึงขั้นมันเหนื่อยบโตบุโตบโต โ, โอ้โหโอ้โหถึงโอ้โหโอ้โหถ่งเพื่อนอุทานเลยนะ พออวิชามมัขาดสะ บ, บัน้นลงไปแล้วโอ้โ ห, โโหทีแรกมันเราก็รู้ที่ว่ามันตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหมือนกับว่าต้นไม้นะ่ะตัดรากฝอยเข้าไปตัดรากฝอยเข้าไปวนเข้าไปวนเข้าไปใกล้เข้าไปชิดเข้าไปวงแคบเข้าไปเข้าไปนั่นแต่รากแก้วมันยังอย่างนั่นแหละที่ว่ารู้ว่าไม่เกิดแต่มันค้างไม่จะค้างอยู่งไหน อันนี้ผมก็เคยพูดเลยผมไปอยู่ถ้าโอ้ไปอยู่ทางนู้นถ้ำผาดัก น, นูนเวลาเจ็บคัดอกเนี่ยมันจะตายจริงๆเขาตายวันลัเจ็ดแปดเก้าคนแปดเก้าคนไปกุศลามาติกาในในปชาช้าจนไม่ได้กลับที่พักเพราะมาไม่ขาดเนี่ยตายแล้วผลกันมาผล ม, มามันโรคอะไรกันไม่รู้คัดอกคัดวันหนึ่งตายสองวันตาย ถ้าถึงสามวันไปแล้วมักจะผ่านไปได้ส่วนมากมักตายอยู่ในวันที่สองเราอยู่ๆก็ไปกุศลามาัติกาเขากุศลามปกุศลามาก็เราก็เป็นขึ้นมาเลยมันก็แน่แล้วที่นี่กูตายแล้วที่นี่น่ะวะน่ะเป็นแล้วโอเป็นอย่างนี่เขาตายเขาเป็นอย่างนี้มนันอย่างงี้นะมันมันเหมือนหอกเหมือนหลาวเนี่ยมันทิ่มเข้ามามันโรคอะไรไม่ทราบนะั้น อไอ้ที่นี่สลบไปนู่นอ่ะไออ่ะมันเหมือนอย่างนี้เวลาเราไอาเราจา ม, มหายใจแรงก็ไม่ได้โอ้กูตายตายไปหมดแล้วนะเป็นแม่กูแล้ว อ, องค์องหนึ่งนี่อ่ะที่เคยพูดให้เพื่อนฟังพูดด้วยความถึงใจด้วยนะพูดด้วยความทันหนัดความเข้าใจจริงๆอย่างถึงใจนัจกจ้ของด้วย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 เวลาทุกเวทนาเกิดขึ้นมันจึงไม่ได้ถอยกันเลยเออเวทนาอันนี้มันหน้าไหนวะหน้าไหนหน้าเราเคยลบหน้าเราเคยตายกันอยู่แล้วมีใช่หรือเปล่ามันไม่ไดมีสถกปานฟังสิแต่ในวันที่มันมันมีที่อะไรอาวร์ให้ดู chat ไม่ดื่มหนักแป๊บเลอะไรอาวรอันนั้นูว่ายังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้ถ้าตายแล้วได้เกิดมันก็ทราบชัดว่าจะไม่เกิดตรงไหนอีกนู่นน่ะแล้วแต่มันมันจะค้างนี่สินี่ย ค้างทั้วันมันก็ไม่อยากค้างมันจะพุ่งทีเดียวให้ถึงเลยถ้าเราพ ว, ว่ามันถึงที่แล้วเมื่อไหรก็ไปเถินะไม่ได้เสียดายละก้อนธาตุอันนี้นะแต่มันเสียดายที่ว่าเนี่ยมันจะไปค้างหนึ่งที่กูตายนี่ครับกูตายทีเดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างแน่ๆยังไม่ยึงไม่อยากพูดงนะ่ายๆยังไม่อยากตายนะคืออยากให้อันนี้สิทเสร็จไปก่อนเท่นี้ก่อ ข้าพเจโยมเขาหลังไหลมาเพราะเขาก็นแน่เหมือนกันกันกบเรานี่เยขนกันเข้าไปประช้าวันวันละมากวันละเก้าวันละน้อยวันละสามวันละสี่นี่ฟังดูนี้เรามาเป็นเนาะเขากรลูกโอ้โหตายแล้วก็ว่าแล้วก็หลังหลกันมาทั้งบ้านเลยมายมาเยี่ยมลราโอ้ยมาเยี่ยมอะไรมาก็โอ้ยมาเยี่ยมย่าคู่แล้วนี่มาคัดอกกัคั ด, ค, ดคัดแล้วมันเป็นอะไรไปมนจะโยงคนจะคัดด้วยมั้ยนี่เป็นอะไปลายมัไยไล่แต่ขึ้นเลยเนย ขอเล่าจะเอากันจะเข่าก็กขึ้นไดที่แล้วนี่ออืยังไงก็ต้องเอากันนะเป็นก็ตายเมื่อกัลืนได้ทีไม่มีกรรมการแยกหรอกอยู่คนเดียวนี่แล้วก็มุกิดมันไม่เคยถอยกันด้วยนะอืไล่เขาแตะคือไปหมดเลยนะทีนี้เอาอะไรนี่เข้าที่เลยเอาลนะไปไงก็เป็นกันมันเห็นเหตุเหตุผลวันนี้พลาดงไปงเรื่องทุกเวทนาะอริยสัจก็เหมือนอย่างเราเคยพิจารณามาครั้งที่อยู่บ้านนอมล แต่เวลานี้กิดมันละเอียดกว่านั้นนี่สติปัญญามันรวดเร็วกว่านั้นอีกด้วยนี่นั่นที่แล้วเพราะฉะนันความสัมพันธ์มันจิงมีไม่ได้ว่างนันเลยไม่มีเลยอยู่ว่างไงมันมีแต่มีแ ต, ต่ถ้าดันไปจับดึงเอาไว้ล้างเอาไว้มันพุ่งพุ่งมันแล้วก็พอดีขึ้นเรื่องอันนี้นขึ้นมามีแต่ว่าที่ว่าอะไรอวานก็คือว่าเรายังไม่ถึงตายที่ไหวจิตมันยังมีอุ่นยังไงวางกัน มันยังม่มีอะไรมันจะไปค้างนี่น่นมันยังไม่อยากจค้างยังอยากตายอยากให้มันพ้นไปก่อนเราเมื่อไหรก็ไปเถอะไปว่านี่ก็ฟัาตื่นเชาเลดมั้งหกทุ่มกว่ามั้งเอาอยู่ตรงแต่นู้นฟ้าที่นี่โอ้โหทุกเวทนานี่มันมันอย่างเนี้ยเราพิจารณากันนี่โอ้หมันไม่ได้ถอยนะมันไม่ได้กลัวเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ มันเห็นเป็นความยืงินหนึ่งทุกเวทนาจะมากน้อยขนาดไหนก็ทกเกษตรเงินมากขนาดไหนมันเห็นจะเป็นสัจธรรมสัจธรรมมันฟัดกันอยู่ตรงนั่นสิมันไม่เคยสทศกะท้านม่เคยกลัวทุกขเวษษษทาเวนาเลยเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันใช่กันอยู่แล้วนี่เรียว่าไงขั้นขั้นที่ว่าเป็นเองหมุนเองติ๋วต๋วเนี่แล้วที่นี่พอขึ้นยาทีเท่านั้นแหละไม่ต้องยกครูเลยเอาปืนมันถึงใจวะไม่ยกครูเลยผึงเลยใส่กันเต็มที่ มาตั้กทุ่มกว่าเอ้ยนี่มันแปลกนะเวลามันมันแยกกันนี่นะสติปัญญาหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเวลามันแยกกันแยกกันแยกกันออกแยกกันไอ้ไอ้โลกขัดขัดออกขนมามันเห็นที่ขาดรู้ที่ทําทมันขาดลงขาดลงขาดแล้วขาดทะบ้านลงไปเลยทีนี้โล่งหมดเลยแล้วไม้ก็ชัดอีกว่าเมื่ออีหม้ายอายด้วะผมดูนั่นมันแก้ มันมันแก้ด้วยทำมาโอโซนนันแก้แหล่ง้ำอย่างนี้แล้วเราจะพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าเราบ้าไปอีกมันทราบว่าใครเป็นบ้าเรามันแก้กันได้อย่างสดสดร้อนๆนั่นมันก็แลกกันแน่ใจด้วยว่านี่นี่ไม่ตายนั่นหายปัจจุบันก็ด้วยนะเวลามันมันโล่งพอมันออกเต็มที่แล้วมันโล่งหมดเลยในโอโอนี่ออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วโล่งหมดเลยไม่ตายอันนั้นก็ลงเดินตรนกลมเลย ไม่นอนเลยพอเห็นพอลงจากเวทีก็โดยมิองกลุลคือทุกเวิจาานั้นดับหมดแล้วรอบกันแล้วเต็มที่แล้วประจักษ์ไม่มีอะไรปัญหาอะไรแล้วไม่ตายแน่แน่แล้วที่นก็หายตั้งแต่บัณฑนั่นนะนั่นไม่เห็นมีอะไรมาซ้ามาเติมอีกนะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกให้เดยพิจนารณาเันไม่เลยขาดสะบัน้นไปหมดนั่นเห็นไหมทำรรมโอโสถนี่เราจะพู้นักปฏิบัตผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นนะ่ะ ทำเอาวิชท่านมอบให้ผู้ปฏิบัติเป็นศาสตร์ที่โกส้สตรธรรมเป็นรัฐบาลของทุกคนเอาตรงนี้ต่างนั้นมาก็ไม่มีปัญหาไหนหมดปัญหาแน่ใจท่านเป็นเดือนเป็นเดือนเมษานะพ่อจากนั้นก็ไปขึ้นเหมือว่า ด, ดอยแล้วก็เป็นเดือนพฤษภาแต่ก็ ด, ดอยกลับมานี่ท่านยกคุณว่าไล่ไปเป็นออันนั้น เป็นกรรมวาจาสวดกรรมวจาให้หมอจเจริญมัฒนศสกชาติหมอเจริญตอนนั้นุ้มเย็นแพทปีที่สองอยังไงนะบวนนั้นเราก็ขึ้นเขาเอยขึ้นเขาโดยธรรเจดีเราไปตัดปุนน่บนบนเขานะลงจากนั้นมาแล้วก็มาอัมพรวรี่จะิูมมาจะมาจำมันสายยังไงให้ตกลงก็จำจำไม่ได้เพราะสงสารบ้านน้องผือ ทำย้อนกลับไปการสารบัญ น, น้ำผึ้งพูดเรื่องอะไรมาถึงมาถึงนี่อีกแล้วเรื่อ ง, องพ่อแม่กูจันทร์มั่นมันมายัางไงมันมาให้เกิดได้วะเอาเก็บอันนี้ออกไปก่อน